ในการใส่ไว้ในธรรมดาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยการกล่าวถึงปัจจัยเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อละอะไรการแสดงปัจจัยนะเพื่อละละสมุทัยหรือละอุเฉททิฏฐิพวกอุเฉททิฏฐิทั้งหลายปฏิเสธปัจจัยเนี่ยนะปฏิเสธปัจจัยเช่นสัตว์เกิดมาลอยๆเกิดมาลอยๆตายแล้วก็จบกันเนี่ยนะเกิดลอยตายแล้วหมดเลยพวกนี้เป็นกลุ่ม อุทเฉดทิฏฐิซึ่งจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไหมเกิดลอยลอยไหมถ้าถามว่าศาตว์ในโลกนะแล้วแต่มันจะเกิดอ่ะมันเกิดลอยลอยถ้าเกิดลอยลอยเนี่ยนะอธิบายไม่ได้ไม่รู้กี่ร้อยเรื่องถ้าทุกอย่างลอยลอยขึ้นอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าไม่มีเหตุมีผลเนี่ยตกว่าแล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนาแล้วแต่ดวงดาวเป็นต้นเนี่ยนะถ้ายกให้ข้างนอกปั๊บเนี่ยอันนี้กลุ่มเนี่ยเป็นพวกอุดเฉททิฏฐิแล้วถ้าการกล่าวถึงผลเนี่ยนะว่า ผลทั้งหลายเกิดจากเหตุการกล่าวถึงผลเพื่อละอะไระถ้าดับเหตุนะผลก็ดับใช่ไหมถ้าดับเหตุผลก็ดับอันนี้ละกลุมละอะไรละสัสตตถิิฐิเพราะฉะนั้นคาว่าใส่ไว้ในธรรมดาเพื่อวัตถุประสงค์ละอุเฉทิฐิกับสัสตถิิฐินี่นะต้องไม่เป็นไปตามอุเฉทิฐิต้องไม่เป็นไปตามสัตตถิิฐิว่าโดยสรุปนะว่า การกล่าวอ้างบทพยัญชนะทุกอย่างจะอ้างพระพุทธเจ้าก็ตามอ้างคณะสงฆ์ก็ตามอ้างพระเทระหลายรูปก็ตามอ้างรูปเดียวก็ตามแปลง่ายๆว่าอ้างอาจารย์ไหนก็ตามจะต้องจัดลงในสูตรคืออริยสัจสีให้ได้สแสดงไว้ในราคาวิในโทสาวิายัยโมหาวิในให้ได้คือต้องสิ่งที่อ้างนั้นต้องเป็นไปเพื่อกาจัดราคาโทสะและโมหะ แล้วก็ต้องไม่มีอุเฉทิฏฐิและสัสตทิฏฐิหมายความว่าใส่ไว้ในธรรมดาคือปฏิจจสมุปบาทต้องไม่ใช่สัตว์แต่ว่ากองทุกเกิดจากปัจจัยถ้าปัจจัยดับวัตถทุก์ทั้งสิ้นก็จากดับอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจัดลงในอริยสัจสี่ย่อมแสดงกิเลสวินยัยย่อมไม่ทําให้ขัดแย้งกับธรรมดาเนี่ยนะอันนี้คือหลักธรรมดาเป็นเครื่องตรวจสอบหาข้อยุติแบบธรรมดาง่ายๆเหตุผลเนีย่ยนะ ในการศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอันนี้เป็นยุติแบบธรรมดาข้อยุติแบบธรรมดาทัวในครั้งหนึ่งนะว่าจัดเข้าในสูตรคืออริยสัจสี่แสดงไว้ในวินัยคือกําจัดกิเลสใส่ไว้ในธรรมดาคือปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมสมุทยะวาระและนิโรธวาระเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมไม่ทาอาสวะมีการมาสวะเป็นต้นให้เกิดขึ้น น, นะถ้าเป็นไปตามหลักอันนี้นะจะต้องสิ้นอาสวะแน่นอนผู้ที่สิ้นอาสวะเรียกเอาใครผ่าหันมีชื่อว่าพระขีนาศบขีนาศบนะวอแวนเนี่ยภาษาไทยนิยมแปลงเป็นพอพานขีนาสวะกับขีนาศบอันเดียวกันเนยันอาสวะจะไม่เกิดขึ้นอัฏฐะใดๆบาลีใดๆย่อมสมควร ย่อมควรกับมหาประเทศสี่ย่อมควรด้วยเหตุใดๆย่อมควรด้วยเพราะเหตุด้วยประการใดๆควรถือเอาอัถฐและบาลีนั้นๆนะก็หาข้อยุตินะว่าสูตรคืออริยสัจวินยัยคือกำจัดกิเลสปฏิจจธรรมดาคือปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนี้อาสะวะต้องลดลงอาสะวะต้องสิ้นไปสิ้นไปเพราะฉะนั้น ใครอ้างใครมาก็ตามต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้นะอันนี้แหละเครียกว่ายุติหาระหาเรียกว่าหาข้อยุติต้องเป็นไปตามนี้เพราะฉะนั้นอย่างการสนทนาธรมการฟังทำการแสดงทำการอะไรก็ตามในนีนะ้ต้องเอายุติหาระนี้เข้ามาคือยุติหาระเนี่ยเป็นข้อยุติของเทศนาหาระกับวิจารยาระบางทีเทสน า, าระก็แสดงไปเรื่อยใช่ไหมเทศนาอาสาศธาอาทีนวานิสรนาะะเกษตรไปเรื่อย วิจัยว่าปุชาวิสาชนาะถามตอบถามต่ อ, ตอไปเยอะแยะไปหมดทําให้มันเป็นอะไรเนี่ยต้องมาหาข้อยุตินะนะเพราะไม่งั้นไม่มีจบมีสิ้นใช่ไหมเพราะนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยเท่ากับวัดว่าพระไตรปิฎกมีข้อยุติอยู่เท่านี้แหละจัดลงในสูตรคืออริยสัจแสดงไว้ในวินัยคือกําจัดกิเลสราคาวินยัยโทสาวิไนโมหาวินยัยกําจัดกิเลสและใส่ไว้ในธรรมนาต้องเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท หลักปฏิจจสมุปบาทคือปฏิเสธสัตว์กับปฏิเสธผู้สร้างปฏิจจสมุปบาทนยหลักการใหญ่ๆเป็นอย่างนั้นคือปฏิเสธว่าใครเป็นสัตว์ชารามรณะมีชาติเป็นปัจจัยชาติมีภพเป็นปัจจัยพบมอีอุปาทานเป็นปัจจัยถามว่ามีใครอยู่ในนั้นอ่ะไม่มีก็มีแต่ชารามรณะที่เกิดจากชาติแต่โวหารว่านายก็นายขอมีแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีใครอยู่ในนั้นทีนี้ถามว่า แล้วใครเป็นสิ่งที่สร้างเหล่านี้ขึ้นน่ะสิ่งเหล่านี้ขึ้นน่ะนะชรามรณะใครสร้างบอกชาติสร้างเพราะฉะนั้นจึงปฏิเสธผู้สร้างที่เป็นบุคคลปฏิเสธผู้สร้างที่เป็นบุคคลแต่ไม่ใช่ว่าถือไปถือมาเลยเถิดไม่เคารพพ่อไม่เคารพมรแม่ไปอีกถูกไหมกลายเป็นว่าศึกษาอริยสัจปฏิจจสมุปบาทไม่ดีกลายเป็นคนอาฆตันอยู่โอ้ยมันขัดกับมงคลแม้กระทั่งมงคลข้อหนึ่งแล้วเห็นไหม มาตาปิตุอุปทานัางก็ขัดเนี่ยนะขัดกับมงคลไม่รู้กี่มงคลเนี่ยนะเพราะอันนี้ยังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะ ก, ก็ศึกษาธรรมะบางทีนีศึกษาไประดับสูงมันจะมาขัดกับระดับล่างๆอันนี้คือปัญหาที่เป็นเป็นอยู่หนักๆเข้าพ่อแม่ก็ไม่เที่ยงป่วยแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วก็ไมต้องไปดูแลให้มุ่นวายอะไรดีไหมอย่างนี้นี่มีกลุ่มศึกษาธรรมะอยู่รับที่หนึ่งนะใช้คําว่ารับที่นี่แปลว่าพิฐิกลุ่มหนึ่งปฏิเสธแม้กระทั่งพ่อแม่ด้วยซ้ยําไปเนี่ยนะไม่เคารพพ่อแม่ ถามว่าที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็มันก็ไม่ใช่หลักกระตันยูอะไรก็ถือว่าผิดกับคําสอนอยู่แล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะทุกอย่างยกให้อนิจังกับทุกขังและอนัตตาคือถ้าอนิจังทุกขังอนัตตาจริงๆอ่ะนะถ้าอนิจังทุกขังอนัตตาจริงอ่ะคือใครที่แสดงหลักการอันนี้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคารพพระเจ้าสุโธธนไะไหมแสดงธรรมสงเคราะห์ไหมสงเคราะห์สงเคราะห์แม่ไหมสงเคราะห์สงเค ร, ค ร, คราะห์ญาติไหม สงเคราะห์พระองค์ให้ทานเป็นต้นไหมให้จริยธรรมพระองค์ดีเยี่ยมไหมเยี่ยมแต่คนที่ศึกษาไม่ดีไปเอาตามแต่เฉพาะอนิจจังทุกขังอนัตตา ม, มาหนักๆเข้ากันเลยเอามาไม่หมดอนะนะจะเรียกว่าจะนับถือวควรนับถือให้หมดนะนะคาสอนก็นับถือให้มันทุกสูตรนั่นแหละอย่าไปนับถือแค่สูตรเดียวอย่าไปนับถือแค่บทเดียวพรานับถือไปนับถือมาเดี๋ยวขัดกันเองนะนะถ้าถ้าไม่มีข้อยุติแบบนี้นะเพราะนั้น ยุติหาระพระมหากัจจยนะวางไว้เป็นอันดับที่สามนี่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะนะเพราะถ้าไม่มีข้อยุติจะไปเรื่อยเนี่ยน ะ, นะไม่รู้เอาอะไรเป็นเครื่องยุติอะไร <c oughs> ทีนี้การหาข้อยุติเนี่ยนะโดยทั่วไปแล้วก็คือหาข้อยุติจากเทศนาหาระกับวิจัยย่หาระนั่นแหละทวนของเดิมนี่แหละมาหาข้อยุติเพราะฉะนั้น เขาจึงสรุปต่อไปว่าผู้ถูกถามปัญหาควรประมวลควรเลือกเฟ้นโดยบทว่าที่เป็นปัญหานี่มีกี่บทถ้าบททั้งปวงกล่าวอัดที่ประสงค์อันเดียวก็เป็นปัญหาข้อเดียวถ้าสี่บทกล่าวอัดที่ประสงค์อันเดียวก็เป็นปัญหาข้อเดียว น, น, นสามบทสองบทหนึ่งบทก็ในยะเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้พิจารณาปัญหาควรทราบว่าธรรมะเหล่านี้มีอัดต่างกันมีสับต่างกันหรือว่ามีอัด อันเดียวกันของธรรมะเหล่านี้มีศัตว์เท่านั้นที่ต่างกันก็คือหาความแตกต่างของศัพว์และอัตถเหมือนกันหรือต่างกันยังไงเนี่ยนะแค่ไหนเพราะฉะนั้นเหมือนอะไรเรายกตัวอย่างเหมือนที่เทวดาทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าสัตว์โลกถูกอะไรกําจัดถูกอะไรเวทล้อมถูกลูกสอนอะไรเสียบแทงถูกอะไรทําให้เร่าร้อนทุกเมื่อ อันนี้ก็เป็นลักษณะของปุจฉาใช่ไหมท่านนายวิจญาหาระนะก็เป็นปุจฉาสี่บทเหล่านี้เป็นคาถามอัตที่ถูกถามด้วยสี่ประโยคเหล่านั้นเป็นสามปัญหาคือเป็นปัญหาสามข้อรู้ได้ยังไงว่าเป็นปัญหาสามข้อรู้ได้เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบเทวดาว่าสัตว์โลกถูกความตายกาจัด ถูกชราเวทล้อมถูกลูกสอนคือตันหาเสียบแทงถูกตันหาทำให้เร่าร้อนทุกเมื่ อ, อ น, น, นเพราะฉะนั้นจากคำถามคาถามนี้ถามสามความหมายอย่้สามความหมายคืออะไรคือที่ที่รู้ได้ยังไงว่าเป็นสามความหมายทั้งทั้ ง, ท, งที่ลักษณะคำถามสี่ใช่ไหมถามว่าหนึ่งสัตว์โลกถูกอะไรกำจัดสองถูกอะไรเวทล้อมสาม ถูกลูกสอนอะไรเสียบแทงสี่ถูกอะไรทําให้เร่าร้อนทุกเมื่อรู้ได้ยังไงว่าเป็นสามคำตอบรู้ได้ยังไงว่าเป็นเป็นสามปัญหารู้ดูได้จากคําตอบหนึ่งสัตว์โลกถูกความตายกําจัดสองถูกชราเวทล้อมส่วนสามกับ4เนี่ยนะก็อันเดียวกันคือลูกสอนคือตันหาเสียบแทงถูกตันหาทําให้เร่าร้อนทุกเมื่อนั้นคำตอบเนี่ยมีอยู่3ามอ่ะนะคือความตายชราและ ตัญหาสามเนื่องจากมีสามแค่เนี้ยจึงตอบได้เลยว่าความปัญหาเนี่ยมีอยู่สามข้อเท่านั้นนะนะเพราะว่าถูกกาจัดคือความตายถูกแวดล้อมด้วยชาราถูกลูกสอนคือตัญหาถูกปัญหาเนี้ยทำให้เร่าร้อ น, น ก, ก็มีอยู่นะก็ดูจากคำตอบนั่นเองในคาถาวิสัชนาสองอย่างเหล่านี้คือชาราและมรณนะมีลักษณะ เป็นสังคตะแห่งปัปเปนเบญจขันธ์ที่ถูกปรุงแตง่งชารามรณะเนี่ยนะเป็นลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็นทุกขลักษณะของขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแตง่งสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีทุกขลักษณะคือชรามีอนิจจลักษณะคือมรณะทุกขลักษณะของขันธ์ห้าคือชรา อั น, นิีจะลักษณะของขันห้าคือมรณะเพราะฉะนั้นชรามรณะเนี่ยเป็นชราเป็นทุกขลักษณะมรณะเป็นอั น, นิีจะลักษณะแห่งขันห้าที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งชรานี้ก็ได้แก่ความเป็นอย่างอื่นความเปลี่ยนแปลงแห่งการตั้งอยู่หมายความว่าไออาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มแปรเป็นอื่นไปอย่างตอนแรกที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้ไหม นไม่ได้เป็นแบบนี้นะก็แสดงว่าถูกแปรมาเรื่อยๆไอ้ความแปรที่เป็นมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละเรียกว่าชราเนี่ยนะชราเรียกว่าความเป็นอย่างอื่นความเปลี่ยนแปลงไปส่วนมรณะก็คือความเสื่อมสิ้นเนี่ยนะเสื่อมสิ้นอันนี้หมายถึงสมมติมรณะนะเช่นเรียกว่าตายนะชราก็แก่นะมรณะก็ตายในสองคำข้างต้นชรากับมรณะ มีความแตกต่างกันโดยอักดนะความหมายนี่ต่างกันนะคําว่าชรากับมรณะเพราะเหตุไรเพราะแม้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในคันก็ย่อมตายได้ซึ่งสัตว์เหล่านั้นก็ยังไม่ทันแก่อันนี้นี้แก่แบบสมมุตินะสมมุติชราชราแบบสมมุติก็คือคนอายุมากะนะบางทีเด็กๆ ก, ก็ตายอ่ะนะเพราะนั้นคำว่าตายเนี่ยหมายว่าไม่จําเป็นต้องแก่ก็ตายได้บางันตอนเช้าเห็นกันตอนเย็นก็ ตายแล้วตอนเย็นเห็นการตอนเช้าก็ตายแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ทันแก่ก็ตายได้ยกตัวอย่างว่าเทวดาทั้งหลายก็ยังมีความตายซึ่งสเรระของเทวดาเหล่านั้นก็ย่อมไม่แก่คือดูแล้วไม่แก่เนี่ยนะก็คำ ว, ว่าความหมายของคำ ว, ว่าแก่ก็คือผมหงอกหนังเหี่ยวฟันหักเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่ า, ารู้ได้บุคคลย่อมอาจป้องกันความแก่ได้ แต่ว่าไม่สามารถป้องกันความตายยกเว้นผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายสามารถป้องกันความตายได้ด้วยฤทธิ์แต่ว่าไม่ได้ป้องกันได้ตลอดไปใช่ไหมได้ครั้งคราวครั้งคราว น, นะนะเช่นว่าอ า, อาจจะตายสักอายุร้อยี่สิบก็ไปตายสักร้อยสี่บอย่างเงี้ยนะมแต่เอาไม่ละอยู่สักห้าพันปีเนี่ยนะโอไม่รู้จะดามตรงไหนบ้างแล้วนะอะไรไสเปลี่ยนทุกชิ้นแล้วมั้งเนาะ หัวใจก็เปลี่ยนหมายแล้วนะตับก็เปลี่ยนปอดก็เปลี่ยนไส้ก็เปลี่ยนไปหมดนะก็ต้องเร่งเต็มทีนะถ้าเป็นรถนะถ้าเป็นรถคันเก่าที่ใช้มารุ่นหนึ่งเลยนะเปลี่ยนเกือบทุกชิ้นมาหมดแล้วนะไม่เหลือสภาพเป็นของเดิมหมดแล้วอย่างเงี้อันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะยังอาการเปลี่ยนเปลี่ยนไปนั่นแหละเรียกว่าตายแล้วะไม่เหลือแล้วแต่ว่าอาจจะให้อายุยืดไปอีกหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะอาจจะตายช้าลงแค่นั้นแหละด้วยอํานาจของฤทธิ์นะด้วยบุญฤทธิ์ด้วยอํานาจยาเป็นต้นอาจจะตายช้าลง ถึงยาดีหมอดีก็ตายเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าหมอดียาดีก็ตายช้าหน่อยนะแต่ว่าในที่สุดก็สาต์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดรอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสรุปว่าชรากับมรณะเนี่ยโดยความหมายก็ต่างกันชรานี้เป็นทุกคลักษณะมรณะเป็นอ น, นิจจาลักษณะส่วนปัญหาอันนี้ที่สามนะข้อที่สามปัญหาข้อแรกชราปัญหาข้อสองมรณะ ที่สคือตันหาส่วนตันหาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในคําว่าตันหาสารเณโอติโนคือถูกลูกศรคือตันหาเสียบแทงนั้นผ้าทหารทั้งหลายผู้ปราศจากตันหาแม้จะแก่แม้จะตายก็ย่อมปรากฏจริงๆนะผ้าทหารท่านไม่เหลือตันหาใช่ไหมแต่ท่านก็ยังแก่และตายถ้าว่าตันหาเหมือนกับชราและมรณะไซเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์ทั้งกวงที่ตั้งอยู่ในความเป็นหนุ่ม ก็พึ่งปราศจากตันหาคือสามอัดนี้แตกต่างกันนะว่าตันหาชรามรณะนี่คละอัดกันถ้าหากว่าเหมือนกันเนี่ยนะคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็หมดตันหาแต่เนื่องจากคนละอัดกันคนละความหมายกันตันหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ฉันใดแม้ชรามรณะก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ฉันนั้นตันหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ไหมเป็นยังไง ตันหาเป็นเหตุแห่งวัตทุกข์ตันหาเป็นเหตุแห่งชาติชรามรณาโศกปริเทวะทุกโธมนัตและอุปาญาตง่ายๆเลยน ะ, ะความโศกย่อมเกิดจากอะไรความรักน่นนะภัยก็เกิดจากความรักถ้าไม่มีความรักความโศกจกมีแต่ไหนภัยจกมีแต่ที่ไหนง่ายๆเนี่ยถ้ารถเราถูกเฉียวกับรถคนอื่นถูกเฉี่ยวเนี่ยนะทุกข์ไหม ถ้ารถคนอื่นนะมันจะพังไปสิบคันนะเราก็ยังอุเเปกขาสหาขาตั ง, างนั่นแหละเฉยๆนะเตึกคนอื่นจะถล่มไปกี่ตึกแนมะ้ก็เราก็เฉยๆอีกนั่นแหละประเทศอื่นนะบ้านเมืองก็แผ่นดินไหวตายไปเป็นพันนะเราก็เฉยๆอีกนั่นแหละกินกิ น, ก, นก็อินนอนก็หลับตามเดิมเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เป็นวัตถุของตันหาของเราแต่ถ้าลองวัตถุแห่งตันหาของเราสิ ญาเราตายไปคนหนึ่งบ้านเราเนี่ยเล่าไปนิดหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะเดือดร้อนหมดเลยเพราะอะไรเพราะตันหาตันหานี้ถือว่าเป็นเหตุแห่งแห่งทุกข์นะเขาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทุกข์ร้อนเพราะการยึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยนะเดือดร้อนเล่าร้อนทุกข์ร้อนเพราะยึดถือว่าเป็นของเราเพราะถ้ายึดถือว่าเป็นของเรามากเท่าไหร่นะก็เท่ากับเอาความทุกข์ไปเก็บไว้เท่านั้นนหะ สมมติเรายึดถือว่าเป็นของเราหนึ่งร้อยคนนี่ก็มีทุกเท่าไหร่ก็ทุกร้อยหนึ่งถ้ายึดถือว่าเป็นของเราเก้าสิบเก้าก็ทุกเก้าสิบเก้านะก็ถ้ามีอยู่สิบคนก็ทุกสิบอะถ้ามีอยู่หนึ่งก็ทุกหนึ่งถ้าไม่มีเลยทุกจะมีมาจากไหนนี่เนี่ยนะอย่างก็ถ้าแบบถ้ า, ถาอย่างนางวิสาขาก็บอกแหมพองษ์ถามว่านางวิสาขาอยากให้เมืองสาวัตถีทั้งหมดเป็นเหมือนหลานของหลานของเธอหรือไม่บอกโอ้อยากให้ดีเหมือนหลานหมดเลยนะ แล้วถ้าเป็นเหมือนหลานเนี่ยแล้วเมืองสาวถีมันตายวละคนสองคนตายวละสิบวละยี่สิบชาตินี้ไม่ต้องสั่งน้ําตากันแล้วล่ะอถ้ารักเหมือนหลานทุกคนเลยนะรักดแอบหน้าตันหาแบบนั้นเนี่ยไม่มีเวลาว่างจากความโศกเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในวัตถุทั้งหลายบางอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งความโศกบางอย่างก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโศกอันนั้นวัดมาจากอะไรวัดจากว่าถ้ามีตันหากับวัตถุใดเราก็โศกกับ วัตถุนั้นถ้าไม่มีตัณหาก็ไม่เศร้าโศกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัณหาเป็นทุกเป็นเหตุแห่งทุกข์คือความโศกอย่างหนึ่งและตัณหาเป็นมูลแห่งวัตทุกข์การปฏิสนธิในทุกขนทุกแห่งมีตัณหาเป็นเป็นมูลหรือเป็นเหตุถ้าไม่มีตัณหานะถ้าสิ้นตัณหาการเกิดในภพทั้งปวงก็ไม่มีเอาแล้วชรามรณะเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ไหมทุกข์ ถ้าแก่แล้วนะคนแก่กับคนหนุ่มเนี่ยใครจะเสียใจเพราะร่างกายบ่อยๆคนแก่นะก็คนแก่นี่ก็เป็นวัยที่ปฏิฆานิมิตเยอะตาก็เสียลงหูก็เสียลงจมูกก็มาค่อยดีร่างกายก็มาค่อยดีอะไรๆก็มาค่อยดีไปทั้งหมดนี่ก็เริ่มทุกข์ทุกข์กเพราะแก่ถามว่าตายแล้วทุกข์ไหมสัตว์โลกนี่ยใครม้างไม่กลัวความตายเว้นเว้น พวกพวกอาชาในทั้งหลายพวกนั้นแนะ่ะที่ไม่กลัวตายแต่ถ้าว่าโดยธรรมดานะความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่สัตว์ ร, รังเกียจที่สุดเลยนะตรงไหนถ้ามันโอ้ประตูความตายมันอยู่แถวแถวนั้นนะคนโดยมากไม่ค่อยเสียงนะไม่ค่อยอยากไปแถวแถวนั้นหรอกเพราะความตายนี่ก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ไอ้จริ ง, รงๆขณะตายมันก็ไม่ได้ทุกข์เจ็บปวดอะไรหรอกแต่ว่าก่อนตายสิมันทุกข์แล้วคนข้างๆคนตายก็ทุกข์อีกเหมือนกันแล้วก็ถ้าตายที่ไหนสิ่งที่ใกล้ตายที่สุดคืออะไร ตายนี่เป็นเหตุแห่งอะไรเป็นเหตุแห่งเกิดเนี่ยนะเราไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมว่าตายแล้วมันเกิดที่ไหนมันก็เลยกลัวตายนะอยู่อย่างนี้ไปอย่างนี้อ่ะไม่รู้ตายไปแล้วว่ากําหนดคติยังไม่ค่อยได้เนี่ยนะก็เจริญพุทธคุณเอาไว้ให้เยอะก็แล้วกันเผื่อกำหนดได้บ้างก็คิดถึงพระพุทธเจ้าแทนเลยไม่ได้กลัวตายเลยนะเพราะคิดถึงพระพุทธเจ้าแทนแต่ถ้าไม่คิดถึงพระพุทธเจ้านะที่เขากลัวตายเนี่ยกลัวถูกต้องแล้วเพราะว่าหมายถึงว่าที่คือตายแล้วยังไงก็เกิดอนะ เกิดเป็นอะไรนั่นแหละถ้ายิ่งทํากุศลมาไม่ค่อยดีนักด้วยเนี่ยทํากุศลเอาไว้น้อยด้วยนี่ก็ก็หนักหนาสาหัสมากทุกตั้งแต่ก่อนตายนี่ก็ทุกแล้วนึกถึงบุญไม่ได้เลยอคิดถึงแต่บาปอันนี้ก็ทุกอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วนึกถึงความชั่วที่ตัวเองทํามาก็เป็นความทุกอย่างหนึ่งนึกหาความดีของตัวเองก็ไม่ได้ก็เป็นความทุกอย่างที่สองทุกอย่างที่สามคตินิมิตรปรากฏอันนี้ก็ทุกอีกทุกอย่างต่อไปอีก ที่เกิดพบใหม่ก็ทุกถ้าไปเกิดในอบายเนะพ่อผมบอกว่าไม่มีคุกไหนมันจะยิ่งใหญ่วันนรกกับเดราชานอีกแล้วเนี่ยนะมันเป็นโอมหาคุกเลยแหละว่างั้นทําไมเพราะว่าในหมูสัตว์นรกก็ไม่มีการทําบุญในหมู่เดราชานเคยเห็นเดราชานทําบุญไหมเนยนะมียุงให้อภัยทานสักวันหนึ่งไหมบอกว่าวันนี้จะเลิกกินเลือดแล้วไม่นี่นี่พวกสัตว์เดราชาญเนี่ยยากจะให้ทานเว้นไว้แต่เดราชาญพระโพธิสัตว์เท่านั้นแหะ เออแบบว่าจะคิดบริจาคตัวเองให้เป็นทานนะถ้าเป็นเดรัจฉานที่เหลือนะหาสัตว์อื่นมาสัตว์ไหนบ้างจะมาให้ทานชั้นบ้างนะพวกปลาทั้งหลายมีปลาตัวอื่นๆไหมที่จะมาให้ทานแกฉันเนี่ยนะก็มีแหละแต่คิดตัวเองเอาตัวเองเป็นให้ทานคนอื่นนี่หายากเป็นทีสรุปว่าตันหาก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ชราและมรณะก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เหมือนกัน ตันหาไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์ชรามรณะก็ไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์เหมือนกันอันนี้ประโยคลักษณะท่าว่านะท่าว่าเนี่ยท่าว่าตันหาไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์ชรามรณะก็ไม่เหตุแห่งทุกข์แต่ความจริงแล้ววะตันหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าทว่าโดยสมุดฐานที่เป็นจริงจริงๆแล้วเนี่ยนะพระอรหันต์ท่านก็แก่ท่านก็ตายแต่พระอรหันต์ท่านไม่มีไม่มีทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่มีตันหาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้น ถ้าจะกล่าวตามตรงแล้วนะจริงๆอ่ะตัณหาก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ชรามรณะก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าวางโดยว่าโดยความลึกซึ้งที่แท้จริงตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะผู้ที่กําจัดตัณหาได้ถึงจะแก่ถึงจะตายก็ไม่ทุกข์นีนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนที่อธิษฐานตายเนี่ยพงทุกข์ไหมดีใจนะเป็นอุทานชนิดหนึ่งเลยที่ดีใจมากเลยนะก อ, อหมดภาระเสียนทะ คนที่เรียกว่าหมดภาระนะแบกของไปถึงที่วางเลยนะถามว่าเขาทุกข์ไหมอุย้ยจะถึงที่วางแล้วดีจะทุกข์แล้วเกินที่ได้วางของหนักเลยนะในนี้ก็มีแต่ดีใจกันทางนั้นแหละพระพุทธเจ้าที่ตอนดับค่ะเรียกว่าปารคดับขันปัจจนนี้นผ่านเนี่ยดีใจมากนะอุทานแปลงแปลงอุทานด้วยโสมนัพเลยดีใจมากเออหมดภาระสักที น, นี้ต่อไปว่า ตันหาพึงทำลายด้วยมัชฉันใดแม้ชรามรณะก็พึงทำลายด้วยมัชฉันนั้นคือตันหาเนี่ยถือว่าเป็นมูลแห่งวัตทุทุกใช่ไหมอริยมัชที่เกิดขึ้นทำลายตันหาด้วยถ้าทำลายตันหาเท่ากับทำลายชราและมรณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะล ะ, ะชรามรณะหรือละตันหาก็ละด้วยมักเหมือนกันนะเพราะจริงๆแล้วชรามรณะเป็นผลของ ตันหาตันหาเป็นสัจจะอะไรสมุทยัทยสัจชรามรณะเป็นทุกขสัจตันหาเป็นอัาฐะฉรามรณะเป็นอาทีนวะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทั้งตันหาฉรามรณะต้องละด้วยมัชมัชเนี่ยทำกิจละตันหาด้วยปหานะละฉรามรณะโดยกิจเนี่ยนะโดยกิจ เพราะฉะนั้นควรหาความเป็นอย่างอื่นด้วยเหตุอันสมควรอื่นๆโดยยุติความสมควรดังที่กล่าวมานี้อันนี้ก็เป็นการหาข้อยุตินะฝึกหาข้อยุติแบบโดยโดยอัถฐนะว่าอันนี้เป็นการหาข้อยุติของตัญหาเนี่ยควรยุติด้วยอะไรชรามรณะนี้อะไรเป็นข้อยุติเนี่ยนะหาข้อยุติให้ได้อันนี้เรียกว่าหาข้อยุติโดยอัฏฐทัวร์ในครั้งหนึ่งว่า จัดลงในสูตรเข้าอริยสัจไหมชรามรณะเป็นทุกขสัจตันหาเป็นสมุทัยสัจมัคที่กําจัดชระตันหาชรามรณะเป็นมัคขสัจความเป็นมัคขสัจจะมีได้ต่อเมื่อมีนิโรธสัจคือพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นนี้ก็จากคําถามคําตอบอันนี้เรียกว่าจัดลงในสูตรก่อนคือสูตรคืออริยสัจสี่ถามว่าอริยมัคที่กําจัดรตันหาเนี่ยนะ กำจัดตันหาที่เป็นมูลแห่งชราและมรณะชรามรณะนะั้นมันคือที่ตั้งของโทสะเพราะชราและมรณะนั่นแหละสัตว์จึงมีโศกะถ้าไม่มีชรากับมรณะก็ไม่มีโศกกะเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นถ้ากำจัดตันหาก็ราคาวินยัยถ้ากำจัดชราและมรณะก็โทสะวินัยกับโมหะวินยัยกำจัดราคะกำจัดโทสะและกำจัดโมหะทีนี้ถ้าใส่ไว้ในธรรมดาธรรมดาเป็นยังไง ตันหาเนี่ยเป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยแห่งชราและมรณะอันนี้คือธรรมดาละธรรมดาตันหาเป็นเหตุแห่งชราและมรณะถ้าดับตันหาชรามรณะก็เป็นอันดับอันนะเนื่องจากว่าผู้ที่ยังตัดตันหาไม่ได้ก็ยังมีชรามรณะอยู่ร่ําไปอันนั้นเป็นสมุทยาวาระถ้าดับตันหาได้ชรามรณะก็เป็นอันดับอันนี้เป็นเนโรสวาระนั่นเองอันนี้เรียกว่าจับ ใส่ไวในธรรมดานะใส่ไวในธรรมดาด้วยปฏิจจสมุปา้ิจากคําถามคําตอบเนี่ยกรว่าพิจนารณาเข้าตามหลักได้หมดเลยหลักก็คือจัดลงในสูตรแสดงในวินยัยใส่ไว้ในธรรมดาทีนี้ถ้าจะว่าโดยศับนะควรหาความเป็นอย่างอื่นโดยศัย์โดยศัย์ต่อไปว่า ธรรมะเหล่านี้ที่กล่าวไว้ว่าสันโลก็ดีทูปายตนะนังก็ดีมีความหมายเป็นอันเดียวกันโดยอัตถแท้จริงไม่สมควรที่อิจฉาอิจฉาในที่นี้แปลว่าความปรารถนานะความปรารถนากับตัณหาจะต่างกันโดยอัตจริงๆแล้วความปรารถนากับตัณหาต่างกันตรงไหนไม่ต่างกันแต่อิจฉาเนี่ยภาษาไทยอาจจะเป็นชื่อของลิศยาเนะี่ยอิจฉาตัวนี้แปลว่าอิจฉาแปลว่าปรารถนา อิจฉาไม่ใช่อิจฉาไทยนะถ้าอิจฉาไทยเป็นโทสะมาจากคำว่าอิจฉาตรงนี้อิจฉาบาลีอิจฉาบาลีแปลว่าตันหาถ้าอิจฉาอิจฉานั้นแปลว่าริษยาริษยาเพราะฉะนั้นอิจฉาตรงนี้ไม่ได้แปลว่าริษยาแต่แปลว่าปรารถนาความปรารถนากับตันหาจึงไม่ต่างกันโดยอัฐะคือความหมาย เมื่อความประสงค์ด้วยตันหาไม่เต็มความโกรธและความผูกโกรธย่อมเกิดขึ้นในอาคาตวัตถุเก้าอย่างนะเพราะอะไรนะถ้าตันหานะปาฏนาถ้าไม่ได้สมหวังที่ไม่ได้สมหวังดังตันหาต้องการเพราะอะไรเพราะคนโน้นมันทําลายเราเพราะคนโน้นกำลังทําลายเราเพราะคนโน้นมันกำลังจะทําลายเราอันนี้ก็เพราะปาถนาใช่ไหเพราะตันหาจึงเกิด โสะไอคนนั้นมันเคยขัดขวางผลประโยชน์เรามันทําให้เราไม่ได้ผลประโยชน์มันกําลังทําลายผลประโยชน์เราไอคนนั้นมันเป็นคู่คู่ทำลายผลประโยชน์เรางั้นก็เลยโกรธไออย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งบอกว่าไอคนโน้นนะมันเคยทําลายประโยชน์แก่คนที่เรารักมันกําลังทําลายผลประโยชน์แก่คนที่เรารักมันจะทําลายผลประโยชน์แก่ผู้ที่เรารักเพราะฉะนั้นไอคนนั้นมันน่าโกรธนี่นะก็เลยโกรธอีกเพราะว่ามันทําลายของรักของเราอ่ะนะ เออเรามีคู่แข่งไงไหมเราไอ้โกรธคู่แข่งไอ้คนที่ทําลายผลประโยชน์ของเราผลประโยชน์ของผู้ที่เรารักมีคนไปช่วยคนนั้นอีกลเลยโกรธพานส่งไปอีกไอ้คนโน้นไม่เคยช่วยศัตรูเรามันกําลังช่วยศัตรูเรามันจะช่วยศัตรูเราเนี่ยนะจริงๆทุกอย่างที่ที่เรามาโทสะแบบนั้นก็เนื่องจากว่าสรุปว่ามันขัดผลประโยชน์เราเ น, นะนะเพราะตัญหาของเราอย่างเดียวเละจริงๆเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่าไอ้ปัญหาของเรามันทําให้มองว่าคนอื่นเป็น ศัตรูคนที่เราเรียกว่าศัตรูของเราคือคนที่ทําลายประโยชน์เราคนที่เราเรียกว่าเป็นมิตรกับเราเพราะเขาให้ประโยชน์แก่เราความเป็นมิตรเป็นศัตรูนะแบ่งที่ประโยชน์นะเอาประโยชน์เข้าวัดใครให้ประโยชน์เราอันนี้มิตรใครทําลายประโยชน์เราศัตรูทีนี้ประโยชน์นะบางอย่างก็เกี่ยวข้องแบบประโยชน์แบบวัตถุบางอย่างประโยชน์ทางจิตใจพระพุทธเจ้านะที่เรานับถือพระองค์เพราพระองค์ให้ประโยชน์เรา เราเลยไม่เรียกท่านพระองค์ว่าเป็นศัตรูเราใช่ไหมเพราะพระองค์ให้ประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าพระองค์สามารถให้ประโยชน์อย่างยิ่งแก่เราได้เราก็เลยเรียกว่าเป็นมิตรของเราแต่คนอื่นๆนะก็เขาก็ดีอะนะแต่เราก็ไม่ได้ถือว่ามีประโยชน์อะไรกับเรามากมายนักเราก็เฉยๆมีพระอรหันต์ตั้งหลายองค์ที่เราไม่ไม่ยอมพูดถึงสักทีหนึ่งนะเราก็เฉยๆกับท่านนะพระปเจกับผู้เจ้าก็เป็นพระอรหันต์เราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงท่านเพราะท่านไม่ได้ ให้ประโยชน์แก่เราพระพุทธเจ้าองค์อื่ น, นๆก็ดีนะมีคุณธรรมเท่าพระพุทธเจ้าองค์เนี้ยทําไมเราไม่พูดถึงก็ท่านไม่ค่อยได้ให้ประโยชน์เราคือเราหาประโยชน์จากท่านไม่ได้ก็ได้ด้วยเหตุผลหนึง่งเหมือนว่าจริงๆท่านให้ประโยชน์เราล่ะแต่เราหาผลประโยชน์จากท่านไม่ค่อยได้เพราะว่าจริงๆแล้วนเนี่ยนะก็ต้องการประโยชน์แต่ว่ามันก็มีอยู่อย่างเท่านี้แหละประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งแม้กระทั่งลูกหลานนะเท่ากับลูกอะไรลูก นะที่ไม่ค่อยดีทั้งหลายแลยเนี่ยนะลูกพวกนั้นเพราะมันเกิดมาทําลายประโยชน์ก็เลยเรียกว่าลูกลูกอะไรก็ Leah ว่าอาวชาตบุตรลูกไม่ดีเนี่ยนะลูกล้างลูกผลาญทั้งหลายแหละเราก็รังเกียจลูกเพราะมันมาทำลายประโยชน์เราเนี่ยนะแต่ถ้าลูกคนไหนให้ประโยชน์ได้เยอะๆนะเช่ น, นมันให้ความสบายใจเป็นต้นเนี่ยนะเราก็ดีใจเพราะมันให้ประโยชน์เราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วว่าสัตว์ว่าโดยรวมๆแล้วสัตว์ต้องการประโยชน์ถ้าเมื่อใดที่เกี่ยวข้องกันแล้วไม่ได้ประโยชน์นะเมื่อนั้นเนี่ยจะต้อง จะต้องออกไปเนี่ยนะเช่นในของในบ้านเราถ้าของชิ้นไหนไม่มีประโยชน์ได้เก็บไว้ไหมเป็นเฟอร์นิเจอร์เลยไหมเอาไหมไม่เอาเนี่ยนะไม่เก็บเอาไว้แล้วอะไรก็ตามที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยออกเร็วที่สุดได้เท่าไหร่ยิ่งดีมันก็เป็นอย่างนี้แหละพันะว่าโดยรวมๆเนี่ยประโยชน์บางอย่างปรารถนาด้วยตัณหา